อา้านั่งท่านั่งทานัดีดีอา้านั่งกู้บัลลังนะนั่งถัดสมาธิเรียกว่านั่งกู้บัลลังก์ู้ขาเขา่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตรงตั้งกายให้ตรงตงอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวา อยาก้มอย่างเงยตั้งกายให้ตรงตงดำรงจิตให้มั่นแล้วก็เอาอาณาปานสตินี่แหละเป็นคำบริกรรมคำภาวนา อ, อาณาปานสตินี่เป็นการภาวนาแบบพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ใช้อาณาปานสตินี่แหละ เป็นคำบริกรรมคำภาวนานะอาณาปานสติคืออะไรอาณ า, าก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าลันลึกรู้ละนลึกได้ละนลึกรู้ก็เดียวกันละนลึกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าเอาสติไป รู้อยู่ที่ลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งตามทางเดินของลมหายใจมนะันลมหายใจมันจะเริ่มต้นเข้าไปจุดที่หนึ่งคือปลายจมูกตรงจังวยปากของเรานะี่จุดที่สองก็หน้าผากจุดที่สามก็กระหม่อมที่สี่คอที่ห้าหน้าอก ที่หกท้องเจ็ดสะดือแล้วก็ปัดออกมาทางเก่านะั่นแหละจากสะดือก็มาท้องหน้าอกคอกระมอมหน้าผากปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกหายใจสัน้นหายใจยาวสลับกันดูหนักบ้างเบาบ้าง จะเห็นลมหายใจไปกระทบจุดใดจุดหนึ่งชัดที่สุดเด่นที่สุดแรงที่สุดให้เลือกเอาจุดเดียวอันนี้ก็พูดทั่วไปเใ ช, ใช้ดอกผู้ดใดเอาอะไรเป็นคํามลีกรรมก็เอาอันเก่านั่นละสงบด้วยเอาอะไรก็เอาอันนั้นไม่ต้องมาเปลี่ยนนะอันนี้พูดแบบของกลางๆอันนี้ทั่วไปให้ฟังแบบพระพุทธองค์เฉยๆอืม เคยสงบด้วยพุโทโธพุทโธก็พุโทพโธเนี่ยนะเคยสงบด้วยสัมมาอรหังก็เอาเคยสงบด้วยไว้นิ่งก็เอาเคยสงบด้ว ย, ยุบเนอคลองเนอก็เอาสัมมาอรหังก็เอาแล้วแต่ญาณิตนิสัยของใครของเรานะทําบริกรรมคํำภาวนาก็เปรียบเสมือนอุปกรณ์เครื่องล่อจับเอาจิตเฉย ล่อจับอากิตเฉยๆไม่ได้เหมือนกับพวกนักว่ายน้นะําเหมือนกับพวกว่ายน้ำนะั่นแหะเขาก็ใช้อุปกรณ์เอาท่อนไม้บ้างท่อนกล้วยบ้างยางรถบ้างมะพร้าวบ้างแล้วแต่ใครถนัดถูกจริตนิสัยเอาไปเป็นอุปกรณ์เพื่อเกาะเกาะ ไหว้น้ำไปเมื่อไหว้เป็นแล้วอุปกรณ์พวกนั้นเขาไม่ต้องการหอกเมื่อไหว้เป็นแล้วไม่ต้องการที่เกียดถือไปเมื่อจิตไปจับอยู่กับคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งจิตรวมอยู่ที่นั่นแล้วเราไม่ต้องการหอก คำวลีกรรมเราต้องการกจิตสงบต่างหากถ้าจิตรวมจิตสงบอยู่ที่ไหนก็เอาที่นั่นแหละแล้วก็วางคำบริกรรมทิ้งคำบริกรรมมันจะหายไปโดยปริยายล้วไม่ได้บอกมันหายมันก็หายไปผู้อาลมณหายใจลมหายใจก็จางคลายหายไปผู้เอาพุทโธพุทโธก็จะจางคายหายไป ผูเอายุบเนอพ้องเนอคำว่ายุบเนอพ้องเนอจางใครหายไปคงเหลือแต่ความรู้รู้รูอยู่เท่นั้นสุดท้ายนะอันนี้เป็นคำบริกรรมคำวาวนาใครถูกกริบนิสัยอะไรก็ให้เอาอันนั้นอย่าไปเปลี่ยนเอาเพียงอันเดียวนะใช่อยู่เป็นเดือนเป็นอาทิตย์ถ้ามันไม่สงบชิงจะเปลี่ยนไหม เปลี่ยนไหมวันนี้แนะนำให้เอาอาณาปานสติเป็นการภาวนาแบบพระพุทธเจ้าที่นชัยดอกเอาสติคุมจิตมารู้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่มีอะไรมากมายถ้าจิตวิ่งหนีออกจากลมหายใจแล้วก็ตั้งสติไหม ถ้ากรวิ่งหนีก็ตั้งสติไหมนั่งไปนั่งมามันจะมีอารมณ์มันจะมีการนั่งสมาธินี่มันจะมีมารต่างๆมาลบกับเรามาเป็นค่าศึกกับสมาธิมาลบกับเราพวกมารต่างๆให้ระวัง ให้ระวังมานมันจะมาหลอกกราจิตเอาใจเราหนีอย่าไปสนใจเขาอย่าไปเสพกับเขามานเมื่อกี้เขาพาสวดอยู่อะเสวนาจับารนังบันติตานันจะเสวนานะเอตมังคละมุตตะมังนี่แหละงคลอันแรกที่พระพุทธองค์ตัดเอาไว้ แปลว่าไม่เซเวนาแปลว่าเสบแปลว่าเสบแปลว่าส่องแปลว่าพูดแปลว่าคุยกันแปลว่าอะไรกันเสบไม่ให้เสบกับมารไม่ให้เสพกับคนผ่านนั่งสมาธินี่ยคนผ่านภายนอกไม่มีดอก ผ, ผ่านภายนอกคือพวกขาดสัตว์ลักท ร, รัพย์ประพฤติผิดในกรรมขุด ป, ด, ปดมดเท็ปกินเหล้าเมาสุรา นักเลงการพ น, นันนักเลงสุลานักเลงผู้หญิงนั่นแหละเขาเรียกว่าผ่านภายนอกมานภายนอกที่นั่งสมาธิมันจะมีมานภายในนะที่ท่านตัดเอาไว้มานห้ากิเลสมานคือความอยากได้สมาธิอยากได้อันนั้นอยากเห็นอันนี้อยากเห็นนรกอยากเห็นสวรรค์ อยากได้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารอยากห่อเหินเดินอากาศได้เขาเรียกว่ากิเลสมานอันที่สองก็ขันธมนันความนั่งไปนั่งมามันจะปวดแช่งปวดขาปวดตาดตุมปวดหลังปวดเอวปว ด, o, ปวด o, เอวแน่นหน้าอกแน่นท้องหายใจไม่ค่อยสะดวกมันมันจะมากัน้นกลางออกมาล่อเอากิจเรา นี่เรียกว่าขันธมารมันจะล่อเอาจิตของเราไปลูกอยู่กับความเจ็บความปวดลูกจะความปวดแฉงปวดขาปวดหัวปวดแน่นหน้าอกแน่นท้องแล้วแต่มันจะสัมแดงแปลงเพศขึ้นมามารขันหน้าคันหลังเหมือนมดมาไต่ไล่มาตอมแล้วเราก็เอาจิตนี้จกทานสมาธิ หนีจากลมหายใจมาเสพกับมนันมาลูกกับมนัน ม, มาเสพคือมาลูกมาลูกกับมนันจิตของเราจึงไม่นิ่งไม่ตั้งมัน่นไม่สงบไม่สงบง่ายๆเลยทีนี้มนันลเอาจิตไปคองแล้วหล่อจิตเราไปเสพแล้วไปกินแล้วถ้าไม่อขันธรรมานไม่เกิด อภิสังขารมานอภิสังขารสังขารแปลว่าความนึกคิดปรุงแต่งความนึกคิดปรุงแต่งนึกไปอดีตอนาคตปรุงนึกไปอดีตปรุงไปอนาคตสารพัดมันจะเสแส้งแก้งคิดไปทำให้เกิดความฟุ้งซ่านลำทานใจอันนี้ก็เรียกว่าอภิสังขารมานถ้าเราคิดขึ้น ความคิดนี่แหละมันจะดึงจิตของเรานี้จากลมหายใจนี้จากฐานสมาธิมาลู่อยู่กับความคิ ด, คคดก็เรียกว่างานล่อเอาจิตเรามาคลองแล้วเอามาเสพแล้วนอกจากนั้นอ่ามันก็จะมาปลอมแปลงเป็นเทวบุตรเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า เป็นลูกเป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงเป็นปิ่นเป็นรถขึ้นมาเราไม่เคยเห็นจิตกำลังนิ่งสงบอยู่มันก็เลยมากั้นกลางเอาไว้เราก็เลยสงสัยว่าอ่ะอะไรนะอะไรวะวันะมาเกิดเป็นแสงอย่างนี้เป็นสีอย่างนี้ เปลี่ยนจากสีนั้นเป็นสีนี่แสงนั้นเป็นแสงนี่วิ่งรอบเราวิ่งขึ้นไปตกลงมาสารพัดอย่างมันมันจะหลอกล่อเอาจิตเราไปคลองเอาจิตเราไปเสพกับเขาเราก็เห็นแปลกประหลาดอัจฉรย์ก็เอาจิตมาดูเขาเนี่ยมาเสพกับเขา ในี่และเสวนากับเขามาเสวนากับมานมาเสวนากับคนพานแล้วจิตของเราจึงเดือดร้อนขึ้นยากขึ้นไม่เป็นสมาธิเอาแวมาก็เกิดนั่งไปนั่งมามีอาการพวกนี้เกิดขึ้นก่อนลำคันงุดยิดเกิดลูกเท่อมันชวนเราออกจากสมาธิเดี๋ยวเดีย ว, ยวนั่นแหละ วันพุ่งนี้ก็ได้พุ่งนี้เช้าถึงทําเนื้ออันนั้นอันนี้สักก่ามันจะนี่แหละเขาเรียกว่ามัดจุมาน ล, ล่อเราออกจากสมาธิมัดจูละทําให้เราตายจากมรรคผลนิพพานไม่ทําต่อไปเขาเรียกว่ามัดจุมานมานทั้งห้านีน้จะล่อเอาจิตเราออกไปคลอง ล่อเอาจิตเราไปเสพอยู่กับเขาไปรู้กับเขาเราจึงเสียเปรียบมาร์โอ้มันลอยสันพันเหลี่ยมนะมายามารตัวนี้ไม่ไม่ไมาจากไหนหรอกมารนี้มาจากใจของเราเขาเรียกว่าดวงมารใจที่เป็นบาตใจที่เป็นบา ป, เ, ป, บาปเขาเรียกว่าดวงมาร มันจะหาวิธีมายาแปลว่าเสซแส่งแกงคนวิธีต่างๆขึ้นมาล่อเอาจิตของเราออกหนีจากลมหายใจออกไปเสพอยู่กับเขาเราไม่รู้ว่ามานันไม่ปฏิเสธเขาหลงว่าเป็นของดีของดี ก็เลยเอาจิตไปรู่วกับเขาก็เลยเสียเปียกเลยภาวนาก็เลยไม่เกิดความสงบขึ้นสักทีแหละถ้าเป็นอย่างนี้เอาใจนะเรื่องมนันอย่าไปเสีบกับมันบัณติตานั่นจะเสวนาให้ไปเสบกับบัณฑิตอันมันพอเข้าใจแล้วนะมนันเสวนา เปว่านายไ ป, ป, ปว่าเสพแปว่าส่องแปว่าคุยแปว่าสนทนาแปวล่ารู้ไปเสพกับบัณฑิ ต, น, น, ตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตคือใครล่ะนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตก็คือผู้รู้เคยเห็นผู้รู้ไหมนักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้สิงสถิตอยู่ที่ลมหายใจอ่า เรายังไม่เห็นผู้รู้เราก็เอาจิตเราไปเสียบอยู่กับลมหายใจจึงเรียกว่าอาณาปานสตินะเอาสติไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเขา้าหรือไปเสียบอยู่กับลมหายใจอย่าให้มันออกหนีอย่ากันอย่าให้มานมาล่อออกหนีไปได้พวกมานพวกกิเลสพวกเนี่ยอ่ามันจะมาขวางทางเอาไว้ ว่าเราจะไปเห็นพระนิพพานมันต้องหาวิธีมาสกัดกั้นเอาไว้ด้วยกลวิธีต่างๆแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังมารพวกนี้ยังมาลบกับพระพุทธองค์อยู่เราก็เหมือนกันล่ะนั่งลงมันจะมาลบกับเราในะมารพวกนี้ล่อเอาจิตเราไปคลองคนไม่รู้จากมารไม่รู้จากกิเลส ก็เลยเอาจิตไปเสีบกับ ม, มันเสียเปียบแล้วทีนี้ามานั่งสมาธิจิตไม่เปลนสมาธิเอาจิตไปเสีบอยู่กับมานันง่อหรือฉลาดนดินเล่านะอพระพุทธองค์ตัดไว้ชัดแล้วอาศัยวนาจ้าาลานังใม่ไปไม่ให้ก็ไปเสีบกับมานบันติตานั้นจะเสวนา ให้ไปเสีบกับนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้สิ่งสถิตยอยู่ที่ลมหายใจเราก็เอาสติเราเราเอาจิตเราไปกําหนดรู้ลมหายใจหนะึ่งหรือเขาเรียกว่าเอาลมหายใจเป็นคำเมตกรรมคำภาวนาเอาดูไปดูมามันไม่ออกหนีจากกันไปเสีบกันอยู่รู้ ก, กันอยู่เอาไปเอามาจิตของเรา ไม่ไปไหนมันก็ปากหลักอยู่นั่นแหละตั้งมั่นอยู่ที่จุดเดียวนั่นนะไม่ออกไปไหนมันก็จะหมอบเฝ้าอยู่ที่ลมหายใจนะเอาเอาสาติเป็นเชือกนะถ้าพูดง่ายๆเอาสาติเป็นเชือกเอาลมหายใจเป็นหลักจิตของเราก็เปรียบเสมือนสัตว์ผู ก, กิต กสัต ส, สัตว์อยู่ในป่าในดงจับได้แล้วก็ผูกไว้กับลมหายใจเนะเอาเชือกค้องมาผูกไว้กับลมหายใจเนะสัตติดีเชือกเหนียวเชือกอแน่นเหนียวแน่นไม่ขาดหลักไม่ค้นลมหายใจไม่หนีไปไหนจิตเราก็มอบ ก, กับลมหายใจอยู่นี่ย น, นะเอาเวลมาจิตลมหายใจก็จะ ละเอียดลงละเอียดลงนะจางคายลมจางลมจางลมลมหายใจจางคลายหายไปกิจก็เยือกเย็นเป็นสมาธิขึ้นทั้งก็เรียกว่าเราได้เจโตวิมุตต์หรือได้สมะถะนี่แหละเรียกว่าสมะถะภาวนานได้สมะถะขึ้นมา ได้จิตสงบขึ้นมาต่อไปก็จะได้ปัญญามาทีหลังได้เจตโตวิมุตต์แล้วก็จะได้ปัญญาวิมุตต์เมื่อออกจากสมาธิก็เดินปัญญาแล้วได้ปัญญาวิมุตต์จิตหลุดคนจากทันห้าสิ้นอาสาวกิเลสง่ายๆเท่ า, านี้อาณาปานสติบุคคลใดจเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ยอมได้เจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์หลุดกิจหลุดพ้นจากขั้นห้าสิ้นอาสาวกิเลสในทิฏฐธรรมนี้ทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันชาตินี้หรือหากยังมีทิฏฐีอยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีง่ายขนาดนี้หลยอนาปานุสติใครทําแล้วจเจริญให้มากแล้วใครจเจริญแล้วทําให้มากแล้ว นียก็ได้เจตโตวิมุตต์ิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าชั่วสมาธิคมไว้เรียกว่าวิคัมพนวิมุตต์เมื่อจิตออกจากสมาธิจิต ก, ก็จะเกิดปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นจากขันธ์ห้ารอบสองสิ้นอาสาวกิเลสในชาตินี้ในทิศธรรมนี้ก็คือปัจจุบันในชาตินี้อือ ง่ายไหมล่ะพระลังคั น, เ, นเป็นพระลังันได้ในชาตินี้พระลังคันองค์นี้ท่านเรียกว่าหลุดพ้นทั้งสองส่วนอุพัโตภาควิมุตต์หลุดพ้นทั้งสองอย่างหลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ด้วยไม่ได้ยากอะไรอาณาก็ไปวัลลุมให้ใจเข้านะ ปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าระลึกรู้เอาสติมาระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่าให้มนันล่อเอาจิตเอาใจออกนี้อยากลมเลยนะต้องมาทําความรู้จักมนันรู้จากกิเลสกิเลสค่าศึกหรือมนันมันคือดวงมัน คือใจดวงที่เป็นบาปเขาเรียกว่ามานมานมันจะมาสู้รบกับเรามันกลัวเราจะไปเห็นอารมณ์พระนิพพานถ้ามันมาไม่กั้นกางเอาไว้แล้วก็เห็นจิตว่างสว่างสวัยพองใสขึ้นทำไมลมหายใจจางคายหายไปก็เห็นแต่ความรู้รู้รู้ ก็เอาจิตของเราไปเสีบกับผู้รู้นี่แหลนะผู้รู้เนี่ยเรียกว่านัก ป, าป่าบัณฑิตแต่ยังไม่เห็นผู้รู้ก็ให้ไปเสีบลมหายใจก่อนรู้กับลมหายใจก่อนเพราะว่าผู้รู้อยู่ในลมหายใจเมื่อลมหายใจจางคายหายไปก็จะเห็นผู้รู้รู้ก็เอาจิตไปเสีบกับผู้รู้รู้เฉยรู้เฉยอ่าหรือเรียกว่าอุเบขา่นั่นแหละ เอกับขัดดาลลมพอได้เจโตไ้หมดจิตหลุดพ้นจากขังห้ า, หาช่วชานผมว้สมาธิผมว้แล้วก็เห็นอารมณ์พระนิพพานแล้วก็เข้าไปถึงมัชฉิมะปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางกลางคืออุเบกขา อกิจจะไปรู้รู้รู้เฉยอยู่คือมันมีหน้าที่รู้อยู่อย่างนี้จิตเมื่อลมหายจางคลายหายไปก็จะเหลือแต่ความรู้รู้รู้เฉยขึ้นเนี่ยอารมณ์พระนิพพานหรือเรียกว่ามัชชิมะปฏิปทานี่แหละข้อปฏิบัติให้ถึงมัชมมชิมะปฏิปทามัชชิมะคือความเป็นกลาง จิตมันลงถึงตอนนี้จะรู้เฉยเฉยคืออุเบกขาอุเบกขาคือไงไม่ยินดีไม่ยินไายนั่นแหละรู้รู้อยู่เฉยเฉยแม่นั่งอยู่ได้ยินเสียงลงตาพูดอยู่นี่มันก็รู้เฉยพูดลงไปถึงฐานใหญ่แล้วอั ป, ปนาฌานอั ป, ปนาสมาธิมีอารมณ์สองคือรู้อยู่เฉยเฉยเฉยนี่แหละเรียกอุเบกขา มันไม่ยินดีไม่ยินไล่ไม่เอาสักอย่างยินดีก็ไม่เอายินไล่ก็ไม่เอาเรียกว่ามันอยู่กลางๆจึงเรียกว่ามัดช่ไหมนี่เลยคือจิตแท้เดิมของเรารู้รู้รู้ว่างสว่างสวัยผ่องใสเป็นธรรมชาติอยูพอจิตลงถึงธรรมชาติถึงธรรมชาติ นี่แหละเรียกว่าองค์พระนิพพานเห็นชั่วชานข่มไว้สมาธิข่มไว้ไม่ได้ไปเห็นอยู่ที่ไหนได้พระนิพพานเหรอเห็นองค์พระนิพพานมันจะดับวัฏจักรสงสารดับความเบียดว่ียนได้เกิดของขันห้าดับขันห้าได้เรียกวิเจโตวิมุตเถนะอะเห็นอารมณ์พระนิพพานเข้าใจไหมล่ะฮห ดับวัฏจะกรสงสารความเมียนไหวตายเกิดขันห้ามันจะเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนนอกจากเวลานอนหลับมันยิงไม่เกิดไม่ดับไม่ทำงานถ้าตื่นขึ้นนิดหน่อยมันก็ฝันก็เรียกว่าขันห้าทางานอีกนี่ดับวัฏจะกรสงสารได้ ดับความเียน็นไหวแต่เกิดความเียนนไหวแต่เกิดของขันห่ามันหมุนกันอยู่เนี่ยเกิดแล้วกว็ดับเกิดแล้วกว็ดับอยู่เนี่ยขันห่านอะไรคือขันห่านอะไรคือขันห่ามันเกิดได้ยังไงอดินน้ำลมไฟอากาศสงข้อเรียกว่าลูกวิญญาณเรียกว่าน้ำ รูกกับนามนี่แหละคือขันห้าเอา้ามันเกิดได้ยังไงทีนี่ขั 1, นห้านี่ในลูกของเราในกายของเราเนี่ยมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าลูกภายในนี่แลมันไปกระทบกับลูกภายนอกคือลูกเสียงปิ่นรถผดภทภพะธรรมลมมันกระทบกัน จิตน้อมออกรับอารมณ์จิตทำงานจิตน้อมออกรับอารมณ์นามสี่ก็เกิดก็เรียกว่าขันห้าเกิดนี่แะขันห้าเกิ ด, นะกดพบหนึ่งตาคู่กับลูกหอูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสหวทพะคู่กับกายธรรมลมคู่กับใจอะไรอันใดอันหนึ่งในหกอย่าง มันกระทบกันจิตน้อมแล้วออกรับอารมณ์คือวิญญาณวิญญาณหูวิญญาณตาวิญญาณจมูกวิญญาณพวกนี้นะน้อมออกรับอารมณ์ก็เกิดนามก็เกิดขึ้นรูปกับนามอาศัยกันเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยเองิงอาศัยกันเกิดเรียกว่าขันห้าเกิดเกิดแล้วก็ดับ นี่แหละขันห้าเกิดขันห้าดับมันหมุนอยู่เป็นบัตตะตายเห็นลูกก็เกิดรู้ว่าลูกคนนั้นคนนี้ขึ้นหู้ได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงนั้นเสียงนี่ขึ้นก็ดับรูปหนึ่งนามสีเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วเกิดเล่าอยู่นี่แหละดับหมุนกันอยู่เรียกว่าขันห้าเกิดกับดับป้อมกันมันเกิดอย่างนี้มันดับอย่างนี้ พอเข้าใจไหมล่ะนี่แหละเรียกว่าขันห้าลูกภายในขันไทยภายในคือตัวของเราไปกระทบกับขันภายนอกคือตัวของเขาใจทำงานขึ้นใจรู้ขึ้นใจน้อมออกรับอารมณ์ใจก็เสเวยอารมณ์จำอารมณ์สัญญาเอาไว้ ใจก็นึกชิดภุมแเต่งก็เรียกว่าขันห้าเกิดแล้วก็ดับทีนี้เวลาเราเข้าสมาธินี่เราจะดับขันห้า น, นี้นะไม่ให้ใจออกออกไปเสบกับลูกกับน้ำให้เอาใจไปเสบกับลูกภายนอกจะบังคับใจมาเสพบอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นให้ไม่ให้ไปรู้เรื่องอื่น ให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นผู้อยากได้สมาธิแม้ความคิดเกิดขึ้นธรรมลรมนี่นี่แหละตัวสำคัญในการนั่งสมาธิคือความคิดนี่นที่เรียกว่าอภิสังขารมานันธรรมะคือใจอารมณ์เก่าที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนั่นนะตั้งแต่อดีตนั่นนะ มาเรียกรวมกันใสว่า ท, ทำอารมณ์มันไหลออกจากใจของเราอารมณ์เนี่ยใจก็คือลูกภายในทำมารมก็คือลูกภายนอกออมันไหลออกมาทางจากใจเราตัวมโนวิญญาณก็รู้ขึ้นเรียกว่านา้ำรูปกับน้ำนี่แหละเรียกว่าขั้นห้า นั่งสมาธิอยู่ขั้นหาก็ทํางานได้อยู่แล้วก็เกิดแล้วก็ดับเท่านี้อก็รู้ว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดับไปคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกนี่แหละ อ, อภิสังขารมารี่ว่ามารก็มาดึงเอาจิตเราหนีจากลมหางใจไปรู้กับความคิดนั่งสมาธิเขาคิดไปถึงหลูกถึงด่านถึงบ้านถึงสองคิดถึงการถึงงาน คิดถึงอะไรไปในอดีตอนาคตไปเนี่ยทำมารมคือลูกภายนอกมโนคือใจคือลูกภายในมโนวิญญาณลูกขึ้นก็คือนามรู้ว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ลูกกับนามเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันก็ดึงจิตของเรามารู้อยู่ที่ความคิดจิตของเราจึงไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่เกิดสมาธิ จิตของเราจึงไปเสพกับมานเข้าใจไหมล่ะนะจิตไปเสพกับมานไปรู้อยู่กับความคิดนะั่นแหละท่านเรียกามานอภิสังขารมานถ้าใครคุ้มจิตไม่ให้มาเสพกับมานได้สําเร็จเท่านั้นมาน น, นั้นนี่อย่าไปนั้นเนี่ยมาร น, น, นั้นนะี่ยบอกให้ไปเสพกับนักปราชญ์บัณฑิตเท่านั้น นักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้ผู้รู้อยู่ที่ไหนอยู่ในลมหายใจก็เอาจิตไปเสีบกับลมหายใจนั่นแหละเออเมื่อจิตเสีบกับลมหายใจเสีบกับบัณฑิตจิต ก, ก็จะนิ่มนวลละเอียดลงกายและหูคือกายในคือลมหายใจกายและหูจิต ก, ก็ล่างเบาลง เยกเย็นเป็นสมาธิอมันก็มีแค่นี้จิต ก, ก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิที่มันไม่เป็นสมาธิก็เราความเพียรเราไม่ถึงความเพียรไม่ถึงคุมจิตไม่อยู่สติเราไม่แกะบังคับจิตไม่ได้คุมจิตไม่อยู่ต้องฝึกต้องซ้อมสติีฝึกซ้อมอยู่ตลอด เหมือนนักมวยนักกีฬาก็ต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันทุกวันนั่งสมาธิก็เพื่อจะฝึกซ้อมจิตนี่นะฝึกซ้อมสตินี่นะให้มันคุมจิตให้อยู่ว่าคุมจิตอยู่แล้วโอ้ยสบายจิตออกไปรู้ที่อื่นไม่ได้จิต ก, ก็หมอกเข้าอยู่ที่ฐานจิต ก, ก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้เฉยรู้เฉยแล้วก็เห็น อารมณ์พระนิพพานพบกับบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเนี่ยนะผลคือพร ะ, ะนิพพานนี่นะคือผลรูล้เฉยรู้เฉยอ่าจิตพองแผ้วสว่างสวัยเป็นธรรมชาติอยู่นี่นะพระนิพพานคือพระนิพพาน มันดับขันห้าได้ดับอารมณ์ได้จึงเห็นพระนิพพานถ้าดับขันห้าไม่ได้ดับอารมณ์ไม่ได้ก็ไม่เห็นพระนิพพานถ้าเราดับได้ชั่วสมาธิข่มไว้ก็เห็นอารมณ์พระนิพพานชั่วผู้ทั่วข่าวนี่นะไม่ได้ไปทําที่ไหนหาที่ไหนทํำง่าย อดเอาอย่าไปเสวนากับมันเขาเรียกขันธมานนันเนี่ยความปวดแช่งปวดคาอย่าเอาจิตไปเสพกับมันมันมันสวนทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้เสพกับบัณฑิตมันจะปวดจะเจ็บยังไงเอาจิตมันลูกอยู่กับบัณฑิตอยู่กับผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกคือบัณฑิต มาเสียบกับลมหายใจเข้าออกมาเสียบกับผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกไปเรียกว่าบัณฑิตถ้าเราไปเสียบกับมันก็เรียกว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้า mm hmm. เมื่อมันมาแล้วต้องมีมาบำเพ็ญภาวนามาสร้างบา ร, รมีให้เจ้าของนะบา ร, รมีถ้าบา ร, รมีครบบา ร, รมีบ ร, ริบูรณ บารมีครบสามสิบทัดก็ได้เป็นพระหลักฐา น, นมันจะไปครบที่ไหนครบในสมาธินี่แหละนั่งอยู่จิตวิ่งออกหนียากลมให้ใจเพียนนี่แหละวิยะคือความเพียนความเพียนความพยายามพยายามตั้งสติคุ้มจิตมาลู้อยู่ลมให้ใจให้ได้เอาอย่างนั่นเลยอย่าไปเอาอย่างอื่นนะ่ะ คำว่าวิริยะบารมีเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ไหนแปลว่าเพียนแปลว่าพยายามอยากให้จิตออกนี้จากลมให้ใจเนี่ยเพียนฝึกสติตั้งสติอย่างนี้เรียกว่าวิริยะบารมีจะไปสร้างเวลาไหนวิริยะบาลมีนี่ยฮ้ไม่ใช่ไปสวดเอาใครก็ท่องได้สวดได้แล้ววิริยะบารมี จะมาทําตอนนั่งสมาธินี่แหละคุมจิตเฟืสติคุมจิตเพียนตั้งสติอยู่งนี่คุมจิตไม่รู้ลมหายใจก็เรียกว่าวิริยะบาลมีแล้วเมื่อปวดแข่งปวดขาขึ้นก็ขันติขันติบาลมีอย่าเอาจิตไปเสียบกบมนันต้องลกกบกำมนันสู้กำมนันนั่งทับคอมันอยู่นั่นนะ่ะ มันจะไปไหนดูไปใครปวดใครปวดก็ดูหน่ะย้ามีตัวตนสัรบุคุณอยู่ใครปวดใครปวดปวดแล้วเปลี่ยนอาญาปวนิดหน่อยมันก็หายนั่นนะแสดงมันไม่เที่ยงเวทนานั่งทับคอมันอย่างใครปวดลบ ก, กับมันสู้กับมันใครปวดพลิกไปทางนี้มันหายหายปวดพลิกไปก็ มันก็ความปวดก็ร้อเราอีกเนี่ยนะพิกไม่ก็ปวดอีกเอาไว้มาใครเป็นคนปวดอ่ะเราไม่พิกมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันจะตายหรือเป็นยังไงล่ะถ้าเราไม่พิกให้มันออกไปมาจิตของเราก็แจกกาขึ้นมามันจะตายใช่ไมมล่ะใครปวดมันก็ไม่ใช่เราปวดว้ายมันก็ว่ามันก็กัะขึ้นมาเอาไว้มามันก็รบชนะมันตั ไม่ลบมันจะชนะยังไงเอาอะไรมาลบเอาขันติขันติบารมีนี่แหละไม่ใช่ขันเต็ก <c oughs> เ, เราไม่ให้มันมันจะเอาอะไรอนะ่ะมันฮะพลิกด้านนี้มันหายพลิกด้านใหม่ไม่หายมันจะพลิกอยู่เนี่ยเราไม่พลิกมันจะอะไรจะเกิดขึ้นนะเนี่ยขันติเกิดขึ้นเผา กิเลสคือความเจ็บความปวดดับไปเองต่อสันตินี่แหละสันติจะไปสร้างเลลวลาไหนสันติบาลมีฮะเอา้าถ้ามันปวดก็ไม่กลัวมันเลยตั้งสัจจะขึ้นเอา้าถ้าไม่หายปวดแล้วจะไม่กระดุ ก, กระดิกไม่ขยับยยขยเรื่นคลื่อนที่ตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นสัจจะบาลมีอธิษฐานบาลมีนี่แหละบาลมีมันจะครบ บริบูรณ์ครบสามสิบทัดเราก็บรรลุเป็นพระลังหันในคืนนี้เนอะถ้าบารมีเต็มบารมีบ ร, มริบูรก็ตัดสลรู้เป็นพระลังหันคืนนี้ได้ปัญญาวิมุตตเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตหลุดพ้นจากขั้นหน้าคืนนี้สบายะจะไปสร้างเวลาไหนบารมีฮะ สัจจะไปสร้างตรงไหนตั้งสัจจะอธิษฐานกิตขึ้นมาจะไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่เป็นเด็ดขาดถึงแม้ว่ามันจะตายก็ตามแขนจะขาดขากจะขาดอืเราจะไม่ขยับขยื่นออกจากที่เป็นเด็ดขาดไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่ทําอะไรอีกถ้าจิตไม่สงบ ต่างสจาัจจะอธิษฐานใส่มันก็ผ่านไวงนะ่ายๆได้อ่ผ่านความเจ็บปวดได้เอาลบชนะมารได้เมื่อลบชนะได้มันไม่กะเข้ามาหาเราดอกมานทนีโอ้มันไม่ออกจากที่เขาไม่ออกจริงๆตัวนีมน้มันก็กลัวเราตัวมานอันนี้ให้แต่มารมาข่มเหงเราอ่าเรากลัวเขา อาว่านาถ้าไม่เอาชนะอันนี้ไม่สังเร็ดดอกจนตายทิ้งเฉยๆนี่แหละต้องเอาชนะมันเอาตายเป็นเดิมพันเลยมันปวดขึ้นมาตั้งสัจจพามากมันเลยมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปแต่เขานั่งอยู่โรงพยาบาลนอนไม่ได้มีแต่นั่งอย่างเดียวก็ไม่เห็นเขาตายหรือคนหนึ่งมันนั่งไม่ได้มีแต่นอนอย่างเดียวก็ไม่เห็นเขาตาย บางคนมันเอาขาชันขึ้นฟ้านั่นตัวอมันเอาขาลม <c oughs> เขาทําไมไม่ตายไม่านั่งแค่นี้อย่าไปสู้กิเลสไม่ได้เหรอไม่ลบตอนนี้อย่าไปลบตอนไหนแล้วอ่อ่าไม่สร้างบารมีจะไปสร้างตอนไหนบารมีตอนลมหายใจไม่มีมันจะสร้างได้ไหมหลังนะบารมีเนี่ยอ่าเอาเออกให้ไม่ได้นะให้มันได้นะ บาลมีสร้างบาลมีด้วยจากบาลมีไหมลนะ่ะบาลมีสิบทัศ์สุดท้ายมันจะไปลงสู่อุเบกขาบาลมีสัมปันโนอิติพิโสภควาจิตของเราได้เยือกเย็นเป็นสมาธิรู้รู้รู้น่ น, นะรู้เฉยรู้เฉยนั่ย น, นะคืออุเบกขาบาลมีไปถึงตอนนั้น บามีเราก็จบสามสิบทัศตายเห็นลูกก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ได้ยินมันไม่ไปยินดียินลายในเสียงนั้นไม่ไปยินดียินลายในลูกนั้นจิตก็ว่างเป็นกลางอยู่นั่นละ่ะคือพระนิพพานเป็นธรรมชาติอยูอ่า เราก็เห็นอารมณ์พระนิพพานออกจากสมาธิตาเห็นรูกก็จิตก็จะอยู่ในอารมณ์อุเบกขาบารามีนลู้เฉยอยู่เฉยคืออุเบกขาสร้างอุเบกขาบาลมีให้เกิดขึ้นบารามีก็ครบสามสิบทัศเราก็ได้เห็นพระนิพพาน ตายยลูกมันก็รู้เฉยไม่ยินดีไม่ยินลายหมูได้ยินเสียงก็รู้เฉยจมูกได้กลิ่นก็รู้เฉยนั่แหละอุเบกขาแปลว่าเฉยจิตของเราก็ว่าหลุดพ้นจากโลกว่าจากอารมณ์จากสมมุตจิตก็สเสวยมิมุติดสุกอยู่รู้เฉยรู้เฉยเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้น นี่แหละคืออารมณ์พระนิพพานอ่าเอาละดังได้แสดงมาก็สมควรจะเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศและชนี อ, อ้าวอคอสร้างบา ร, รมีด้ะเข้าใจบา ร, รมีบ้างไมหมละ่ะฮะสร้างตอนลมหายใจไม่มีจะสร้างได้ไม ห, หมละหมอยุ้ยนะไม่ได้อ่า ตอนลมหายใจมีอยู่นี่แหละบารมีเพิ่งเกิดอพอเข้าใจบ้างไหมหลหรายอมแม่ยุบนอพองนอก็ได้คือเกาเด้อ mm. เมื่อ ด, ด, ดูไปดูไปไม่เห็นยุบเห็นพองมีแต่รู้มีแต่ความรู้เฉยๆก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้แล้วก็เฉยคืออุเบกขาแล้ว มันจะยกดจะความมันไม่ปรากฏมีแต่ความรู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเอาสติมาจับเอาตัวพุเนี่ยเข้าใจนะก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้สมสถะคือเจโตวิมุตติกาวาสมถะก็ว่ า, า, วาเท่านั้นง่าย ไ, ม ห, ไหมเละทีนี้อย่าไปจับเอาที่อื่นนี่แหละนักปราชช่วงนั้นไม่เห็นนักปราชบัณฑิต ดูเอาคำํำวิกรรมสัก่อนพอหนึ่งคำวิกรรมจางคายให้ไปก็เห็นแต่ผู้รู้เอากิจมาเสพกับผู้รู้มาลู่อยู่กับผู้รู้นะะี่แะเขาเรียกว่าเสวนามาเสพกับนักปราชญ์บัณฑิตแล้วก็เห็นอารมณ์ภายในพานเข้าจใจไหมล่ะท่นนะก็จะเห็นกิจเป็นผู้รู้ลู่เชืออยู่อีก อย่างหนึ่งจะเห็นมันว่างจากอารมณ์ภายนอกว่างสว่างสวัยฝังใส่อยู่เป็นธรรมชาติอยู่นี่แหละอารมณ์พนันธ์ณฑ์เหมือนกับน้ำน้ำฝนตกที่ประเทศไหนก็ตามถ้าไหลลงไปถึงทะเลแล้วมันจะเคยมไหมฮะ เข็มมันกันหมดจิตผู้ใดก็ตามเมื่อบำเพ็ญภาวนาลงไปแล้วมันจะลงไปถึงธรรมชาติอันนี้ขึ้นกันคือรู้รู้รู้เฉยธรรมชาติว่างสว่างสวัยถ้าเรีย ก, กว่าจิตผ่องแผ้วแจ่มใสพระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาก็มาสอนสัพพปาปัสะ อาการนั่งเว้นจากการทําบาปทัป้งปวงกุศลสูปสัมปทานสร้างกุศลให้ถึงพร้อมคือทานศีลภาวนากุศลเข้าใจไหมสกิจตะปริโยทรปนังทำจิตให้พองเท่อเอาแกมใสทำยังไงจะพองเท่อเอาแกมใส เข้าสมาธิก็เห็นข้อควาวของเพลีวแจ่มใสขึ้นมาเป็นธรรมชาติจิตของใครก็ตามเมื่อมาลงถึงอันนี้ก็ได้เห็นธรรมชาติเอโกธรมูเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่ที่นีคืออารมณ์พญานาถธรรมชาติธรรมธาตุตนนัวนี้เข้าใจไหมล่ะท่านนี่จิตของแพลวแจ่มใสเอตังเอตังพุทธานศาสนัง นี่แหละคือคําสอนของพุริจ้าทั้งหลายทั้งปวงก็สอนลงมาให้จิตเป็นธรรมชาติของใสสว่างสวยเป็นธรรมชาติอยู่ออกมาจากสมาธิก็มาอยู่ในอารมณ์นี้ของใสสว่างสวัยอยู่คืออารมณ์ไหนไหลมาทางตาสติปัญญากรุตเท่าว่า ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเป็นอนิจจังทุกครั้งนั้นต่าจิตไม่รับอารมณ์ไม่ยินดีไม่ยินไายคืออุเบกขาจิต ก, ก็ฟ่องไอยู่เคอเก่าเข้าใจแไหมล่ะที่ไหนใครทําก็ได้หมน่ะพระเทนนชีอุบาสุอุบาสิกาลงไปถึงตรงนี้ก่อเห็นวิเนพานด้วยกันหมดที่ไม่เห็นวิเนพานก็เพราะมานมากั้นเอาไว้มาลบเอาไว้ความปวดแช่งปวดขา ความคิดใช่ไหมล่ะถ้าไม่งั้นกับเห็นรูปแสงเสงียงต่งงงางๆมันพวกนี้แหละมากั้นจิตเราไม่ให้เราเห็นอารมณ์อุเบกขานี่ได้ไม่ให้เห็นจิตผ่องใสนี่แหละคือจิตเดินแท่ของเรามันจะผ่องใสถ้าอยู่ต่อมาแล้วจิต กิเลสจะมาเข้ามอง ห, ห้อมจิตจิตงโง่จิตไม่มีสติปัญญาจึงปล่อยให้กิเลสมาห้อหุ้มมาหุ้มลุมจิตจิตจึงเศร้าหมองขึ้นมาเขาก็ให้ท่านก้องออกศีลล้างออกเอาทานล้างออกเอาศีลล้างออกเอาสมาธิล้างออกปัญญาล้างออกจิตก็พองแพร่แฉะใสเหมือนเดิม สงสัยอะไรไหมฮะอยากถามอะไรไหมสงบไหมล่ะฮะสงบบ้างไหมเออเอาสงบบาแต่มันหลีกหลีกมนันหลีกนี้จมามันหนึ่งถ้าเกิดหนึ่งไม่ลบก็หลีกหลีกนีอย่าไปสนใจมัน ถ้าจะลบก็ลบองเอาไปเอาตายกับมันเลยถ้าไม่ลบกับหลีกยนี้อย่าไปเสียบกับมันมั น, มนก็คารว่าที่ไม่ได้บวชชีไม่ได้บวชที่เป็นเพศผู้ชายจะสามารถ <c oughs> เปธร้โอยไ ด, ไ, ดได้ได้ต้องมีสีญแปดสิญห้นี่กายยัง จมอยู่ในกามอยู่จิตก็ยังจมอยู่ในกามอยู่เหมือนกับไม้สดแช่อยู่ในน้ำถูไฟจะเกิดไหมฮะไม้สดแช่อยู่ในน้ำไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดต้องเป็นไม้แห้งไม้แห้งก็ทิ้งอยู่บนบกนะต้องเป็นศิลป์ ทิ้งอยู่บนบกเอาตัวออกนี้จากบ้านช่องห้องหองสิ่งคุกคีวุน่นวายเหมือนพ้านี่แหละเอากายมาทิ้งไว้วัดเรียกว่าไม้แห้งแล้วแต่ถ้าใจยังไปอยู่ในบ้านก็เรียกว่าใจยังจมอยู่ในกามอีกนะเข้าใจไหมอ่าจำเป็นจะต้องนั่งสชั่วโมงสามชั่วโมงพี่เจ้คะนั่งชั่วโมงหนึ่งก็จบได้ได้ได้ได้จำเป็นต้องหชั่วโมงเท่าที่มัน สงบนั่นแหละมันเคยสงบห้าสิบนาทีก็อยู่ได้ชั่วโมงก็อยู่ไปเมื่อออกมาแล้วก็มาพิจารณาดูปัจจุบันเจ้าของปัจจุบันนี่แหละวิปัสนาให้เห็นปัจจุบันอยู่ปัจจุบันคืออะไร นีปรัชนาไม่อยู่ไกลปัจจุบันก็คือความเกิดดับเห็นความเกิดความดับเห็นลมหายใจเข้าก็เรียกว่าเกิดเห็นลมหายใจออกก็เรียกว่าตายเห็นเกิดดับเกิดดับหรือเห็นตาเห็นรูปก็เกิดรู้ขึ้นมาดับไหมล่ะเห็นแล้วดับไหมเรียกว่าดับ สิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ละ่ะ เ, เอาเริ่มจะเข้าใจแล้วทีนี้เห็นปัจจุบันอย่างนี้แล้วเราจะเห็นทุกข์ทุกข์คืออริยสัจจริงคือขันห้ามันเกิดแล้วก็ดับเริ่มจะเห็นอริยสัจสีขึ้นมาเข้าใจไหมหละ่ะทุกข์คืออริยสัจจริง เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้มันทำไมถึงเกิดทำไมถึงดับมันมีสัตบุคคลตัวตอนอยู่แน่นไหมสั่งได้ไหมต้องกำหนดรู้ทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้เพื่อไม่ให้ไปแบกเอาทุกไม่ให้ไปยึดเอาทุก ถ้าไปแบกเอาทุกไปยึดเอาทุกเขาก็เรียกว่าสมุทยัยเหตุเกิดเหตุให้เกิดทุกนี่หละวิปัสสนาไม่อยู่ไกลเข้าใัยไหมละ่ะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาอะไรเกิด อันนั้นก็ดับไหมฮมันทำไมถึงดับเฮฮนี่แหละมันปัญญามจะเกิดนี่แหละจะไปหาที่ไหนปัญญาไปอ่านหนังสือก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมอ่านหนังสือท่านก็ว่าไปตมพ้าสูตรสมมุติไปตมนั่นแหละ ถ้ามาดูนี่เอาทำไมทาไมมันถึงเกิดทำไมมันถึงดับอะไรเกิดอะไรดับเกิดแล้วมันทำไมถึงดับถ้ามันเกิดมันดับเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เที่ยงหรือเรียกว่าอันนี้จังก็อันเดียวกันนี่แหละนี่แอันใดเกิดอันนั้นสุขหรือทุกข์แล้วก็เห็นตัที่นี่ ไปดูให้มันเห็นนะไม่อยู่ที่อื่นหรอกอ้าวมีอะไรอย่าถามอีกคุยไปมันดีนะมามาเยียบอย่างนี้มาเยี่ยมอย่นี้คือให้เห็นอย่างนี้ให้พิจารณาบ่อยๆใช่ไหมครับเออพิจารณาเนืองๆเห็นทุกก็คือเห็นอยู่แต่ว่ามันต้องทําให้เห็นบ่อยๆใชโอ้ยเห็นบ่อยๆจนมันเบื่อนอนเห็นบ่อยๆจังจนเบื่อ พ, อพอระพระองค์ไม่ไปเห็นที่ไหนเลยลรืเห็นที่อนาปานสตินี่จะสรู้ด้วยอนาปานสติเห็นที่ลมหายใจนั่นเองเห็นกายในกายนี่เด้เห็นลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกเข้าใจไหมลมหายใจเพื่อกายในมันวิ่งเข้าวิ่งออกมันเกิดมันดับก็อันเดียวกันมันเข้ามันออก มันเข้ามันออกมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง<อ>นีน่ก็เห็นไม่เที่ยงตัวอ๋อลมหายใจมันไม่เที่ยงใช่ไหมล้วคิดว่ามันเที่ยงอยู่ที่ น, นั่งอยู่นี่นะเพิ่งจะรู้ว่ามันไม่เที่ยงนี่แหละ <P> <laughs> ใช่ไหมถ้ามันไม่เข้าเราจะอยู่ยังไงล่ะทีนี้ฮะอาศัยได้ไหมลมหายใจฮะฮึอาศัยได้จริงๆริงไมลมหายใจ ไม่ได้แล้วจึงเบื่อหนในลมหายใจเบื่อหนในกายอย่างของอยังไงนี่แหละกายลูกเปยสุปีนี้เป็นสติจึงเบื่อหนในกายอย่างของเบื่อหนในลูกเห็น ว, ว่าลูกมันไม่เที่ยงกายมันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับมันเข้ามันออกมันเป็นอนิจจังทุกขังใช่ไหมล่ะ เริ่มอย่าเข้าใจลมให้ใจไม่เท่นี่ยเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเราเข้าใจอืมเอา<ม>ได้ข้อมูลไปแล้วเอาไปพิจารณาดูนะอย่าไปพิจารณาบ่อยละ่ะมันจะหนีออกจากบ้านไปนะโอ้ย <c oughs> มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะอยู่ไปหาอะไรใช่ไหมละ่ะ ถ้าลมหายใจไม่เข้ามันก็ต้องตายเท่านั้นนะมันลมหายใจไม่ออกมันก็ต้องตายเท่านั้นจะไปหาอะไรอีกเราหยุดไม่หายอีกแล้วพึ่งพาอาศัยไม่ได้จริงจริงจริงมันคือมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันไม่แน่นอนนั่นแหละเข้าใจไหมละ่ะเออเราหลงว่ามันแน่นอนเราก็เลยตายใจอย่างนี่แหละไปมานอนเฝ้ามันอยู่เอาไปมาก็เบื่อหน่ายในความไม่แน่นอนเข้าใจไหม เขา ด, ดูบ่อยๆจนไม่รู้ว่าจนเบื่อนั่นเลยเอามีเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ไปทำดูเอ้าวันนี้กับคอท่า น, นี้แหละเนาะ